เวทนา3เวทนาสประการนี้คือ 1. สุขเวทนา 2. ทุกขเวทนา 3. ามอทุกขมสุขเวทนาเมื่อใดบุคคลได้เสวยสุขเวทนาเมื่อนั้นเขาไม่ได้เสวยทุกขเวทนาไม่ได้เสวยอทุกขมสุขเวทนาได้เสวยแต่สุขเวทนาเท่านั้นเมื่อใดบุคคลเสวยทุกขเวทนา เมื่อนั้นเขาไม่ได้เสวยสุขเวทนาไม่ได้เสวยอทุกขมสุขเวทนาได้เสวยแต่ทุกขเวทนาเท่านั้นเมื่อใดบุคคลเสวยอทุกขมาสุขเวทนาเมื่อนั้นเขาย่อมไม่ได้เสวยสุขเวทนาไม่ได้เสวยทุกขเวทนาได้เสวยแต่อทุกขมสุขเวทนาเท่านั้นสุขเวทนาไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยปัจจัยเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปและด pues ับไปเป็นธรรมดาแม้ทุกขเวทนาก็ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปและดับไปเป็นธรรมดาแม้อทุกขมสุขเวทนาก็ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยปัจจัยเกิดขึนมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปและดับไปเป็นธรรมดา อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อนายสุขเวทนาทุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วก็มีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่โจรพรหมจารย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป อาคิเวสนะภิษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้ย่อมไม่ทะเลาะวิวาททุ่มเถียงกับใครๆโวหารใดที่ชาวโลกนิยมพูดกันก็ไม่ยึดมั่นกล่าวไปตามโวหารนั้นสมัยนั้นท่านพระสารีบุตรยืนถวายงานพัดณเบื้องพระปริศดางพระผู้มีพระภาคได้คิดว่าได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้ยิ่งแล้ว ตรัสการและทำเหล่านั้นเหล่านั้นแก่เราทั้งหลายพระสุโคสทรงรู้ยิ่งแล้วตรัสการจลัดทิ้งทำเหล่านั้นเหล่านั้นแก่เราทั้งหลายเมื่อท่านพระสารีบุตรพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้จิตก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานธรรมะจักสุอันปราศจากทุลีและปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่ทีคณ ข, ขะปริภาชกว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วน ม, มีความดับไปเป็นธรรมดาทีขณขคะปริภาชกแสดงตนเป็นอุบาสกลำดับนั้นทีขณขคะปริภาชกเห็นธรรม บรรลุธรรมรู้ธรรมยังลงสู่ธรรมหมดความสงสัยไม่มีคำถามใดๆมีความแกล้วกล้ า, ลาไม่ต้องเชื่อใครอีกในหลักคำสอนของพระศาสดาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาสิก ข, ของพระองค์ชัดเจนไพเราะ ย, ยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาสิก ข, ของพระองค์ชัดเจนไพเราะ ย, ยิ่งนัก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 เป็นอุบาสกพูดถึงสาระนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตดังนี้แลที่ขณขะสูตรที่สจบ 5. มาคันธียะสูตร ว่าด้วยปริภาชกชื่อมาคันธยะข้าพระเจ้าได้สดดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับบนเครื่องปูลา่าซึ่งทำด้วยหญ้าในโรงบูชาไฟของพรหมารัรวชะโคตนิคมของชาวกุรุชื่อกรัมมาสธรรมะแควนขุรุครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสก ถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาทยังนิคมชื่อก ร, รัมมาสธรรมะทรงเที่ยวบินทบาทในก ร, รัมมาสธรรมะนิคมแล้วเสด็จกลับจากบินทบาทภายหลังเสวยพระกรยาหารเสร็จแล้วเสด็จเข้าไปยังราวป่าแห่งหนึ่งเพื่อประทับพักผ่อนกลางวันได้ประทับนั่งพักผ่อนกลางวันณโคนไม้แห่งหนึ่งลำดับนั้นปริพาชกชื่อมาคันทยะเดินเที่ยวเล่นอยู่ เข้าไปยังโรงบูชาไฟของพราหมณ์ภารัวาชโคดได้เห็นเครื่องปูลาด ท, ทำด้วยหญ้าในโรงบูชาไฟของพราหมณ์ภารทวชะชโคดจึงถามว่าสหายเครื่องปูลาด ท, ที่ทาด้วยหญ้าซึ่งปูลาดไว้ในโรงบูชาไฟของท่านภารัชะวาชะนี้เป็นของใครดูเหมือนจะเป็นที่นอนของสมณกระมังภารัวาชโคดพราหมณ์ตอบว่า ใช่ท่านมาคันธยะพระสมณโคโดมผู้เป็นศักยะบุตรออกพนวจากสักยะตรกูลท่านพระโคโดมนั้นมีกิติศัพท์อันงามขาจรไปแล้วอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารทีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคที่นอนนี้ปูลาดไว้สาหรับท่านพระโคโดมนั้นท่านพารทวาชะพวกเราผู้ที่ได้เห็นที่นอนของท่านพระโคดมผู้ทําลายความเจริญนั้นนับว่าได้เห็นสิ่งที่ไม่เป็นมงคลท่านมาคันธิยะท่านจงรักษาวาจาน้ไว้ท่านมาคันธิยะ ท่านจุงรักษาวาจานี้ไว้ความจริงกษัตริย์ผู้เป็นบัณฑิตก็ดีพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตก็ดีขหะบดีผู้เป็นบัณฑิตก็ดีสมณะผู้เป็นบัณฑิตก็ดีมีจํานวนมากพากันเลื่อมใสท่านพระสมณะโคดมพระองค์นั้นเป็นอย่างยิ่งเพราะท่านพระสมณะโคดมทรงแนะนําแต่ธรรมที่ทําให้คนฉลาดรอบรู้และเป็นอริยะท่านภาระตวาชะ ถ้าเราเผชิญหน้ากับท่านพระโคดมนั้นเราก็กล้าพูดต่อหน้าท่านพระโคดมว่าพระสมณะโคดมเป็นผู้ทำลายความเจริญข้อนั้นประเหตุไรเพราะคาพูดอย่างนี้อยู่ในสูตรของเราท่านมาคันธยะถ้าการกล่าวคำนั้นไม่เป็นการหนักใจแก่ท่านมาคันธยะแล้วก็ข้าพเจ้าจะกราบทูลพระสมณะโคดมพระองค์นั้นให้ทรงทราบท่านพาระตวาชะ อย่ากังวลเลยเราได้พูดไว้แล้วเชิญท่านพูดกับพระสมณโคดมนั้นเถิดพระผู้มีพระภาคทรงสดับคำสนทนานี้ของพราหมณ์พารัวาชโครกับมาคันทิยะปริภาชกด้วยที่ประสต์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ครั้นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคทรงออกจากที่หลีกเร้นเสด็จเข้าไปยังโรงบูชาไฟของพราหมณ์ภารทวาชโคด ประทับนั่งบนเครื่องปูลาดซึ่งทําด้วยหญ้าที่ปูลาดไว้แล้วลำดับนั้นพราหมารัวาชโคตเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งอยู่ณที่สมควรพระผู้มีพระภาคตรัสกับพราหมรัตวราชโคดนั้นว่าภารัตวชท่านกลับมาคันธยะปริภาชก ปรารบถึงเครื่องปูลาดซึ่งทำด้วยย่านี้ได้เจรจาโต้อตอบกันอย่างไรบ้างเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพารัวช้ชาโคตรพราหมถึงกับตะลึงขนลุกได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าพระองค์ปรารถนาที่จะกราบทูลเรื่องนี้แก่ท่านพระโคดมอยู่แล้วแต่ท่านพระโคดมได้ตรัสถามก่อนที่ข้าพระองค์จะได้กราบทูล เมื่อพระผู้มีพระภาคกับพราหมณ์ภารัตวชโคตรสนทนากันค้างอยู่นั้นมาคันธยะปริภาชกผู้กําลังเดินเที่ยวเล่นอยู่ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคที่โรงบูชาไฟของพราหมณ์ภารทตวชโคตรได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกลับมาคันธยะปริภาชกว่า ประถา ม, มาคันธิยะปริภาชกเรื่องการสํารวมอินทรียมาคันธิยะตามีรูปเป็นที่ยินดียินดีแล้วในรูปอันรูปให้บันเทิงแล้วตานั้นตราคตฝึกดีแล้วคุ้มครองดีแล้วรักษาดีแล้วสํารวมดีแล้วอันหนึ่งตราคตย่อมแสดงธรรมเพื่อสํารวมตานั้นมาคันธิยะคำที่ท่านกล่าวว่า พระสมณะโคดมเป็นผู้ทำลายความเจริญนั้นท่านคงจะหมายถึงความข้อนี้กระมังมาคันธิยะปริภาชกกราบทูลว่าท่านพระโคดมคำที่ข้าพระองค์กล่าวว่าพระสมณะโคดมเป็นผู้ทำลายความเจริญนี้ข้าพระองค์หมายถึงความข้อนั้นแหลข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคำที่พูดอย่างนี้อยู่ในสูตรของข้าพระองค์มาคันธิยะ หูมีเสียงเป็นที่ยินดีจมูกมีกลิ่นเป็นที่ยินดีลิ้นมีรสเป็นที่ยินดีกายมีการสัมผัสเป็นที่ยินดีใจมีธรรมารมเป็นที่ยินดียินดีแล้วในธรรมารมอันธรรมารมให้บันเทิงแล้วใจนั้นตถาคตฝึกดีแล้วคุ้มครองดีแล้วรักษาดีแล้วสํารวมดีแล้วอันหนึ่ง ตถาคตย่อมแสดงธรรมเพื่อสํารวมใจนั้นมาคันธิยะคำที่ท่านกล่าวว่าพระสมณะโคโดมเป็นผู้ทำลายความเจริญนั้นท่านคงจะหมายถึงความข้อนี้กระมังท่านพระโคโดมคำที่ข้าพระองค์กล่าวว่าพระสมณะโคโดมเป็นผู้ทำลายความเจริญนี้ข้าพระองค์หมายถึงความข้อนั้นแลข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะคำที่พูดอย่างนี้อยู่ในสูตรของข่าพระองค์มาคันทิยะท่านเข้าใจความข้อ น, นั้นว่าอย่างไรคนบางคนในโลกนี้เป็นผู้เคยได้รับการบาเรอด้วยรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กหนัดสมัยต่อมาเขารู้ความเกิดความดับคุณโทษ และอุบายเป็นเครื่องสลัดออกไปได้ตามความเป็นจริงละตันหาในรูปได้บรรเทาความเร่าร้อนที่เกิดเพราะรูปได้เป็นผู้ปราศจากความกระหายมีจิตสงบในภายในอยู่มาคันธิยะท่านมีอะไรที่จะกล่าวกับท่านผู้นี้เล่าท่านพระโคดมข้าพระองค์ไม่มีอะไรที่จะกล่าวมาคันธิยะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไร คนบางคนในโลกนี้เป็นผู้เคยได้รับการบำเรอด้วยเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูด้วยกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกด้วยรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นด้วยโพธพภะที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำนัดสมัยต่อมาเขารู้ความเกิดความดับคุณโทษ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 เมื่อก่อนเราเป็นครือหัดครองเรือนเป็นผู้เอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณห้าประการบำเรอตนอยู่ด้วยรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำนัดด้วยเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูด้วยกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกด้วยรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นเมื่อก่อนเราเป็นครือหัดครองเรือน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 ปราสาทหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูร้อนเรานั้นไม่มีบุรุษเจือปนมีแต่สตรีคอยบำเรอขับกล่อมดนตรีอยู่ในปราสาทเป็นที่อยู่ในฤดูฝนตลอดสี่เดือนไม่ได้ลงจากปราสาทเลยสมัยต่อมาเรานั้นรู้ความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเป็นเครื่องสลัดกามทั้งหลายให้ออกไปได้ตามความเป็นจริงและตัณหาในกามได้ บรรเทาความเร่าร้อนที่เกิดเพราะกามได้เป็นผู้ปราศจากความกระหายมีจิตสงบในภายในอยู่เราเห็นหมู่สัตว์เหล่าเอิญผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดถูกกามาตันหาเกาะขินอยู่ถูกความเร่าร้อนที่เกิดเพราะกามแผดเผาอยู่เศกกามอยู่เราก็ไม่กระยิมต่อสัตว์เหล่านั้นทั้งไม่ยินดีในกามนั้นด้วยข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะเราเมื่อยินดีด้วยความยินดีที่เว้นจากกรรมและอกุศลธรรมทั้งหลายอันเข้าถึงความสุขที่เป็นทิพย์จึงไม่กระยิมต่อความสุขขั้นต่ําและไม่ยินดีในความสุขขั้นต่ํานั้นเปรียบเทียบกรรมของมนุษย์กับ กามทิพย์มาคันธียะเปรียบเหมือนข้าบดีหรือบุตรข้าบดีเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากเอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยการมาคุณห้าประการบำเรอตนอยู่ด้วยรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปราถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำนัดด้วยเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหู ด้วยกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกด้วยรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นข้าพเดีหรือบุตรข้าพดีเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากเอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณห้าประการบำเรอตนอยู่ด้วยโพธพภะที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปราถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำนัดเขาประพฤติกายสุจริตวจีสุจริต มโนสุจริตหลังจากตายแล้วจะพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์จะพึงไปเกิดในหมู่เทพชั้นดาวดึงเทพบุตรนั้นมีหมู่นางอับศรแวดล้อมอยู่ในสวนนันทวันเอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกลามคุณที่เป็นทิพย์บำเรอตนอยู่ในดาวดึงเทวโลกนั้นเทพบุตรนั้นได้เห็นข้าบดีหรือบุตรข้าบดีผู้เอิบอิ่มพร่งพร้อมด้วยกลามคุณห้าประการบำเรอตนอยู่ มาคันธียะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเทพบุตรนั้นมีหมูนางอับซรแวดล้อมอยู่ในสวนนันทวันเอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณห้าประการบำเรอตนอยู่จะพึงกระยิมต่อข้าบดีหรือบุตรขาบดีโน้นหรือต่อกามคุณห้าประการของมนุษย์หรือจะเวียนกลับมาหากรามของมนุษย์ใหมไม่ท่านพระโคดมข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะการามที่เป็นทิพ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 ด้วยกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกด้วยรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นเมื่อยังครองเรือนอยู่ในการก่อนเ อ, อิบอิ่มพร่งพร้อมด้วยกามาคุณห้าประการบำเรอตนอยู่ด้วยโพฏฐะที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำนัดสมัยต่อมาเรารู้ความเกิดความดับคุณโทษ และอุบายเป็นเครื่องสลัดกามทั้งหลายให้ออกไปได้ตามความเป็นจริงและตันหาในกามได้บรรเทาความเร่าร้อนที่เกิดเพราะกามได้เป็นผู้ปราศจากความกระหายมีจิตสงบในภายในอยู่เรานั้นเห็นหมูสัตว์เหล่าอื่นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกามถูกกามตันหาเกาะขินอยู่ถูกความเร่าร้อนที่เกิดเพราะกามแผลเผาอยู่เสพกามอยู่ เราจึงไม่กระยิมต่อสัตว์เหล่านั้นทั้งไม่ยินดีในกามนั้นด้วยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราเมื่อยินดีด้วยความยินดีที่เว้นจากกามและอกคติธรรมทั้งหลายอันเข้าถึงความสุขที่เป็นทิพย์จึงไม่กระยิมต่อความสุขขั้นต่ำและไม่ยินดีในความสุขขั้นต่ำนั้น เปรียผู้บริโภคกามเหมือนคนเป็นโรคเรื้อนมาคันเทียเปรียเหมือนบุรุษผู้เป็นโรคเรื้อนมีตัวเป็นแผลมีตัวผู้พองมีเชื้อโรคคอยบ่อนทาลายใช้เล็บเกาปากแผลใช้ถ่านไฟรมกายให้ร้อนมิดอมาดยาสาโลหิตของเขาเชิญแพทย์ผู้ชนานาญการผ่าตัดมารักษาแพทย์ผู้นั้นพึงประกอบยารักษาให้ เขาอาศัยยาแล้วจึงหายจากโรคเรื้อนหายจากโรคร้ายมีความสบายขึ้นลุกเดินได้เองไปไหนมาไหนได้เองตามความพอใจบุรุษนั้นเห็นบุรุษผู้เป็นโรคเรื้อนคนอื่นมีตัวเป็นแผลมีตัวผู้พองมีเชื้อโรคคอยบ่อนทําลายใช้เล็บเกาปากแผลใช้ถ่านไฟรมกายให้ร้อนมาคันธยะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไร บุรุษนั้นจะพึงกระยิมต่อบุรุษผู้เป็นโรคเรื้อนคนโน้นต่อหลุมฐานเพลิงหรือต่อการกล้มเกลืนฝืนใช้ยาใช่หรือไม่ไม่ใช่ท่านพระโคดมข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเมื่อยังมีโรคกิดที่เกี่ยวกับการใช้ยาก็ต้องมีเมื่อหายโรคกิจที่เกี่ยวกับยาก็หมดไปมาคันธยะเราก็อย่างนั้นเหมือนกันเมื่อยังโครงเรือนอยู่ในการกอน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 บำเรอตนอยู่ด้วยโพธพะที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปราธนาะน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดสมัยต่อมาเรารู้ความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเป็นเครื่องสลัดกรมทั้งหลายให้ออกไปได้ตามความเป็นจริงละตันหาเนกลามได้บรรเทาความเร่าร้อนที่เกิดเพราะการมได้เป็นผู้ปราศจากความกระหาย มีจิตสงบในภายในอยู่เรานั้นเห็นหมูสัตว์เหล่าอื่นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกลามถูกกลา ม, มาตัญหาเกาะกินอยู่ถูกความเร่าร้อนที่เกิดเพราะกามแผดเผาอยู่เสกกวามอยู่เราจึงไม่คระยิมต่อสัตว์เหล่านั้นทั้งไม่ยินดีในกามนั้นด้วยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราเมื่อยินดีด้วยความยินดีที่เว้นจากกลามและอคุสนธรรมทั้งหลาย อันเข้าถึงความสุขที่เป็นทิพย์จึงไม่คร่ยิมต่อความสุขขั้นต่ำและไม่ยินดีในความสุขขั้นต่ำนั้นมาคันทิยะเปรียบเหมือนบุรุษผู้เป็นโรคเรื้อนมีตัวเป็นแผลมีตัวผู้พองมีเชื้อโรคคอยบ่อนทําลายใช้เล็บเกาปากแผลใช้ฐานไฟรมกายให้ร้อนมิดอมาดย่าสาโลหิตของเขาเชิญแพทย์ผู้ชนานาญการผ่าตัดมารักษา แพทย์ผู้นั้นพึงประกอบยารักษาให้เขาอาศัยยาแล้วจึงหายจากโรคเรื้อนหายจากโรคร้ายมีความสบายขึ้นลุกเดินได้เองไปไหนมาไหนได้เองตามความพอใจทีนั้นคนที่แข็งแรงสองคนช่วยกันจับเขาที่แขนคนละข้างชุดเขาให้เข้าไปที่หลุมฐานเพลิงมาคันทิยะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร บุรุษนั้นต้องดิ้นรนไปมาข้างนี้และข้างโน้นใช่ไหมใช่ท่านพระโคโดมข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไฟมีสัมผัสเป็นทุกข์มีความร้อนมากและมีความเร่าร้อนมากมาคันธียะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรไฟนั้นมีสัมผัสเป็นทุกข์มีความร้อนมากและมีความเร่าร้อนมากเฉพาะในบัดนี้เท่านั้นหรือหรือว่า แม้เมื่อก่อนไฟนั้นก็มีสัมผัสเป็นทุกข์มีความร้อนมากมีความเร่าร้อนมากเหมือนกันท่านพระโคดมไฟนั้นมีสัมผัสเป็นทุกข์มีความร้อนมากและมีความเร่าร้อนมากทั้งในบัดนี้และแม้เมื่อก่อนไฟนั้นก็มีสัมผัสเป็นทุกข์มีความร้อนมากมีความเร่าร้อนมากเหมือนกันแต่บุรุษผ <vale ู้เป็นโรคเรื้อนมีตัวเป็นแผลมีตัวผู้พอง ถูกเชื้อโรคคอยบ่อนทำลายอยู่ใช้เล็บเกาปากแผลถูกโรคเรื้อนเบียดเบียนร่างกายกลับเข้าใจไฟซึ่งมีสัมผัสเป็นทุกว่าเป็นความสุขมาคันทียะกรามทั้งหลายก็อย่างนั้นเหมือนกันแม้ในอดีตก็มีสัมผัสเป็นทุกมีความร้อนมากและมีความเร่าร้อนมากในอนาคตกรามทั้งหลายก็มีสัมผัสเป็นทุกมีความร้อนมากและมีความเร่าร้อนมาก แม้ในปัจจุบันกามทั้งหลายก็มีสัมผัสเป็นทุกข์มีความร้อนมากและมีความเร่าร้อนมากสัตว์เหล่านี้เป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกามถูกกามมาตัญหาเกาะกินอยู่ถูกความเร่าร้อนที่เกิดเพราะกรามแผดเผาอยู่มีอินทรีย์ถูกกามกำจัดแล้วกลับเข้าใจกามซึ่งมีสัมผัสเป็นทุกข์ว่าเป็นความสุขไปมาคันธยะ บุรุษผ <terrible suicide> ู้เป็นโรคเรื้อนมีตัวเป็นแผลมีตัวผู้พองมีเชื้อโรคคอยบ่อนทำลายอยู่ใช้เล็บเกาปากแผลใช้ถ่านไฟรมกายให้ร้อนบุรุษผู้เป็นโรคเรื้อนมีตัวเป็นแผลมีตัวผู้พองมีเชื้อโรคคอยบ่อนทำลายอยู่ใช้เล็บเกาปากแผลใช้ถ่านไฟรมกายให้ร้อนด้วยประการใดๆปากแผลเหล่านั้นของบุรุษผู้เป็นโรคเรื้อนนั้น ก็เป็นของไม่สะอาดมากขึ้นมีกลิ่นเหม็นมากขึ้นและเน่ามากขึ้นด้วยประการนั้นนั้นแต่เขาจะมีเพียงความยินดีและความพอใจอยู่บ้างก็เพราะการเกาปากแผลเท่านั้นแม้ชั้นใดสัตว์ทั้งหลายก็ชั้นนั้นเหมือนกันผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกามถูกกามตัณหาเกาะกินอยู่ถูกความเร่าร้อนที่เกิดเพราะกามแผดเผาอยู่เศกกามอยู่ สัตว์ทั้งหลายผู้ยังไม่ปราศจากความกำนัดในกามถูกกามตัญหาเกาะกินอยู่ถูกความเร่าร้อนที่เกิดเพราะกาแผดเผาอยู่เศกกามอยู่ด้วยประการใดๆกามตัญหาย่อมเจริญแก่สัตว์เหล่านั้นและสัตว์เหล่านั้นก็ถูกความเร่าร้อนที่เกิดเพราะกาแผดเผาอยู่ด้วยประการนั้นๆและเขาเหล่านั้นจะมีความยินดีและความพอใจอยู่บ้าง ก็เพราะอาศัยการมมคุณหาประการนั่นเองมาคันธยะท่านเข้าใจความข้อ น, นั้นว่าอย่างไรท่านได้เห็นหรือได้ฟังมาบ้างไหมว่าพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชาผู้เอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยการมมาคุณหาประการบำเรอตนอยู่ยังละการมตัณหาไม่ได้ยังบรรเทาความเร่าร้อนที่เกิดเพราะกรรมไม่ได้แต่เป็นผู้ปราศจากความกระหาย มีจิตสงบในภายในอยู่แล้วกําลังอยู่หรือว่าจักอยู่ไม่ท่านพระโคโดมดีละมาคันธิยะข้อนี้แม้เราก็ไม่ได้เห็นมาไม่ได้ฟังมาว่าพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชาผู้เอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณห้าประการบำเรอตนอยู่ยังละกามาตัญหาไม่ได้ยังบรรเทาความเร่าร้อนที่เกิดเพราะกามไม่ได้ แต่เป็นผู้ปราศจากความกระหายมีจิตสงบในภายในอยู่แล้วกำลังอยู่หรือว่าจักอยู่มาคันธิยะที่แท้สมณะหรือพราม์เหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นผู้ปราศจากความกระหายมีจิตสงบในภายในอยู่แล้วกำลังอยู่หรือว่าจักอยู่เพราะสมณะหรือพราม์เหล่านั้นทั้งหมดล้วนรู้ความเกิดความดับคุณโทษ และอุบายเป็นเครื่องสลัดกรรมทั้งหลายให้ออกไปได้ตามความเป็นจริงและการมาตัญหาได้บรรเทาความเร่าร้อนที่เกิดเพราะการรมได้จึงเป็นผู้ปราศจากความกระหายมีจิตสงบในภายในอยู่แล้วกำลังอยู่หรือว่าจักอยู่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐ นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งบรรดาทางทั้งหลายอันให้ถึงอมตะธรรมทางมีองค์8ดเป็นทางอันเกษมเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วมาคันธิยะปริภาชกเรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมน่าอาศ จ, จ, จรร์จิงไม่เคยปรากฏท่านพระโคโดมตรัสไว้ดีแล้วว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐ นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งข้าพระองค์ก็ได้ฟังมาจากปริพาชกทั้งหลายในการก่อนผู้เป็นอาจารย์และเป็นปาจารย์ผู้กล่าววา่าความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งความข้อ น, นั้นจึงสมกันมาคันธยะข้อที่เธอได้ฟังมาจากปริพาชกทั้งหลายในการก่อนผู้เป็นอาจารย์และเป็นปาจารย์ผู้กล่าววา่า ความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งความไม่มีโรคนั้นเป็นอย่างไรนิพพานนั้นเป็นอย่างไรเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วได้ทราบว่ามาคันธิยะปริภาชกเอาฝ่ามือลูบตัวเองแล้วกล่าวว่าข้าแต่ท่านพระโคดมความไม่มีโรคนั้นคืออันนี้นิพพานนั้นคืออันนี้ บัตรนี้ข้าพระองค์เป็นผู้ไม่มีโรคมีความสุขโรคอะไรๆมิได้เบียดเบียนข้าพระองค์ปรีผู้บริโภคการมเหมือนคนตาบอดพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า มาคันธยะเปรียบเหมือนคนตาบอดมาแต่กำเนิดเขาไม่ได้เห็นรูปสีดำรูปสีขาวรูปสีเขียวรูปสีเหลืองรูปสีแดงรูปสีแสดไม่ได้เห็นที่อันเสมอและไม่เสมอไม่ได้เห็นดวงดาวไม่ได้เห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เขาได้ฟังจากคนมีตาดีผู้กล่าวว่าท่านผู้เจริญผ้าขาวพองงดงามยิ่งนักไม่สุขปรกสะอาดสะอ้าน เขาจึงเที่ยวสแสวงหาผ้าขาวบุรุษผู้หนึ่งเอาผ้าเนื้อหยาเปื้อนน้ํามันมาลวงคนตาบอดมาแต่กำเนิดนั้นว่าพ่อคุณผ้าผืนนี้เป็นผ้าขาวผ่องงดงามยิ่งนักไม่สกปรกสะอาดสะอา้านเป็นของท่านเขารับเอาผ้านั้นมาหม่มพูดออกมาด้วยความดีใจว่าพ่อคุณผ้าขาวผ่องงดงามยิ่งนักไม่สกปรกสะอาดสะอา้านจริงๆมาคันธยะ ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคนตาบอดมาแต่กําเนิดนั้นรู้อยู่เห็นอยู่จึงรับเอาผ้าเนื้อหยาบเปื้อนน้ามันนั้นมาหม่มพลางพูดออกมาด้วยความดีใจว่าพ่อคุณผ้าขาวผ่องงดงามยิ่งนักไม่สุขปรกสะอาดสะอ้านหรือว่าเปล่งวาจาแสดงความดีใจอย่างนั้นเพราะเชื่อคนมีตาดีมาคันธยะปริภาชกทูลตอบว่า ท่านพระโคดมคนตาบอดมาแต่กำเนิดนั้นไม่รู้ไม่เห็นรับเอาผ้าเนื้อหยาบที่เปื้อนน้ำมันมาข่มพลางพูดออกมาด้วยความดีใจว่าพ่อคุณผ้าขาวผ่องงดงามยิ่งนักไม่สุขปรกสะอาดสะอา้านเปล่งวาจาแสดงความดีใจอย่างนั้นเพราะเชื่อคนมีตาดีมาคันธยะอัญญะดิรถีปริภาชกทั้งหลายก็อย่างนั้นเหมือนกัน เป็นคนตาบอดไม่มีจักสุไม่รู้ความไม่มีโรคไม่เห็นนิพพานเมื่อเป็นเช่นนั้นยังกล่าวคาถานี้ได้ว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆได้ตรัสพระคาถาไว้ว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งบรรดาทางทั้งหลายอันให้ถึงอมตะธรรม ทางมีองค์แปดเป็นทางอันเกษมบัดนี้คาถานั้นเป็นคาถาของปุตุชนไปโดยลำดับมาคันธยะกายนี้เป็นดุจโรคเป็นดุจหัวฝีเป็นดุจลูกสอนเป็นสิ่งคับแค้นเป็นสิ่งเบียดเบียนท่านนั้นกล่าวกายนี้ซึ่งเป็นดุจโรคเป็นดุจหัวฝีเป็นดุจลูกสอนเป็นสิ่งคับแค้นเป็นสิ่งเบียดเบียนว่าท่านพระโคดม ความไม่มีโรคนั problems, no <ederim. S 2> ้นคืออันนี้นิพพานนั้นคืออันนี้ท่านไม่มีอริยะจักขุที่เป็นเครื่องรู้ความไม่มีโรคที่เป็นเครื่องเห็นนิพพานได้ข้าพระองค์เลื่อมใสท่านพระโคดมอย่างนี้ท่านพระโคดมทรงสามารถแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยวิธีที่ข้าพระองค์จะรู้ความไม่มีโรคและเห็นพระนิพพานได้